บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปได้กล่าวมาถึงมวดของขันธ์ทั้งห้าประการที่พระพุทธเจ้ า, าทรงสอนให้ผู้ศึกษาปฏิบัติธรรมะมีความสำเนีกรู้ในสามช่วงด้วยกัน ช่วงแรกก็คือสถานะของขันนั้นๆช่วงที่สองก็คือปัจจัยเหตุที่เกิดแห่งขันนั้นๆและช่วงที่สามคือความดับไปแห่งขันนั้นๆวันก่อนได้พูดมาถึงเรื่องของสัญญาขันได้แก่จิตซึ่งทำหน้าที่จำอารมณ์ ซึ่งผ่านมาทางประสาทสัมผัสเพรสิ่งที่จิตของบุคคลจำไว้เมื่อจาแนกเป็นกลุ่มออกไปก็จะได้เป็นหกกลุ่มท่านเรียกว่าสัญญาหกคือสิ่งที่เป็นรูปสิ่งที่เป็นเสียงสิ่งที่เป็นกลิ่นสิ่งที่เป็นรสสิ่งที่เป็นเย็นร้อนอ่อนแข็งและสิ่งที่เป็นอารมณ์ทั้งหลายในภาคของการประพฤติปฏิบัติจริงๆนั้น ท่าไเน้นไปที่ตัวรับเป็นเรื่องใหญ่เพราะเรารับอารมณ์อย่างไรเราก็จำอารมณ์เช่นนั้นเอาไว้การปฏิบัติจึงไม่มุ่งสอนไปในทางว่าไม่รับอารมณ์ด้วยประการทั้งปวงหรือรับอารมณ์ด้วยประการทั้งปวงแต่ให้มีสติสัพพัญญละลึกรู้ทันต่ออารมณ์ว่าควรแก่การรับหรือไม่ควรแก่การรับ ประการเกิดขึ้นของกุศลและอกุศลนั้นที่จริงมันก็ผ่านมาทางประสาทสัมผัสด้วยกันและอยู่ในกระบวนการเดียวกันคือหมายความมารับมาทางประสาทสัมผัสแล้วก็จําไว้แล้วก็เกิดความคิดแล้วกเกิดความรู้ดังนั้นจึงทําให้ความคิดของบุคคล มีความเปลี่ยนแปลงแปรปลุไปตามสิ่งที่ตนจำเอาไว้ถ้าจำดีก็เก็บการเก็บสะสมความดีเอาไว้ก็ทำให้ความคิดของบุคคลดีถ้ารับไม่ดีก็เก็บไม่ดีเอาไว้สะสมความไม่ดีเอาไว้ความคิดของคนก็ไม่ดีซึ่งความคิดดีหรือไม่ดีนั้นเราเห็นได้ในแต่ละขณะ นั่นเป็นช่วงหนึ่งซึ่งแสดงให้เห็นถึงสภาพจิตของเราที่ยังไม่มั่นคงอยู่ในความดีหรืออยู่ในความไม่ดีหมายความความทำความดีระดับหนึ่งก็ทําได้แต่ทํานานๆไปก็ทําไม่ได้ผล อ, อิทธิพลของความไม่ดีก็มีอยู่มากเห็นยกตัวอย่างาการนั่งสมาธิก็ดีการความธรรมก็ดีเราทําได้ระดับหนึ่ง เรามีความเพียรพยายามได้ระดับหนึ่งสติสัมปชัญญะระลึกรู้ในอารมณ์เหล่านั้นได้ระดับหนึ่งแต่พอนั่งนานเข้าทุกเวทนาเกิดขึ้นมากความเพียรพยายามก็ทนทานได้บ้างทนทานไม่ได้บ้างพอทนทานไม่ได้จิตก็แปรผันกลับไปสู่อารมณ์ของกระแส กับไปสู่อารมณ์พวกอากุศลเช่นเดิมจีก็แล่นไปเล่นมาอยู่ในลักษณะนี้พรองการหลุดพ้นจากอำนาจของกิเลสสำหรับบุคคลทั่วไปทรงใช้คำว่ากุปฐธรรมคือกำเริบต่อไปได้ หายความว่าในบางคณะเราอาจจะอดกลั้นอดทนต่อความโกรธความริษยาอาฆาตความกัดเครื่องอะไรได้แต่รบในลักษณะนั้นเองไม่อยู่ในสถานาการณ์หนึ่งจิตใจเราไม่มีกําลังธรรมะมากพอที่จะต้านทานอารมณ์นั้นเราก็ทนไม่ได้ทำให้การหลุดพ้นจากความโกรธในช่วงแรกของเรา มีการกําเริบคือแปรผันไปได้ือจากโกรธกลายเป็นไม่โกรธแล้วก็กลายเป็นโกรธได้ือจากเมตตากลายเป็นไม่เมตตาแล้วก็กลายเป็นพยาบาทได้เป็นต้นบางครั้งบางราวการปฏิบัติที่ท่านจัดเป็นเรื่องของความหลุดพ้นที่ทรงจำแนกเป็นรายละเอียดไว 5, ้ห้าจำแนกเป็นราย สรุปไว้ก็เป็นสมระดับซึ่งหมายความว่าในบางระดับคนสามารถหลุดพ้นจากกิเลสได้ดวยองค์นั้นๆด้วยเรื่องนั้นๆด้วยกรณีนั้นๆซึ่งหมายความว่าก็ต้องไม่แรงเกินไปในชีวิตของบุคคลจึงสามารถชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธได้ ชนะความชั่วด้วยความดีได้ชนะคนสนิทด้วยการให้ให้ได้ชนะคนพูดจาหลอแหลกด้วยการกล่าวคำสั์คาจริงได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้หมายความว่าเป็นการกระทำได้อย่างถาวรตลอดไปสำหรับบุคคลบางคนสำหรับอารมณ์บางอารมณ์สภาพจิตบางสภาพจิตเทราทำได้ การหลุดพ้นในระดับนี้หลุดพ้นจากอานาจของกิเลสในระดับนี้ท่านจึงเรียกว่าเป็นต ท, ทางกัวิมุติคือหลุดพ้นได้เป็นขณะขณะไปเป็นเรื่องเรื่องไปจะเอาให้แน่นอนลงไปไม่ได้บางขั้นตอนของการปฏิบัติที่ท่งแสดงเอาไว้เพิงสังเกตว่าในโครงสร้างหลักก็คือศีลสมาธิปัญญาเราอาจจะไม่ต้องมองถึงระดับสมาธิแต่มองระดับศีล ภาษีนั้นบางครั้งก็สำรวมระวังได้บางครั้งก็สำรวมระวังไม่ได้พระพุทธเจ้าทรงรู้เห็นความจริงเหล่านี้จึงมีบทบัญญัติไปในลักษณะต่างๆเป็นการเปิดโอกาสให้อภัยแล้วก็รอคอยการปฏิบัติปฏิบัติของบุคคลเช่นสาธุรชนทั่วไปเมื่อขาดศีลีลขาด ก็เปิดโอกาสให้สมาทานศินใหม่ได้ขาดอีกก็สมาทานได้อีกขาดอีกก็สมาทานได้อีกผลตะนับว่าตั้งแต่เกิดมาสมาทานศินกี่ครั้งแล้วเนี่ยบางคุก็อาจจะนับไม่ได้พอสมาทานมาเยอะตั้งแต่เกิดนะถามมาขาดกี่ครั้งแล้วก็นับไม่ได้เหมือนกันมันเยอะเอเกินในชั้นของพระเองกําหนดไว้เพียงสี่ข้อเท่านั้นที่ถือว่าขาดจากความเป็นพระ แต่ไม่ได้หมายความว่าขาดจากความเป็นชาวพุทธคือขาดจากความเป็นพระเท่านั้นหากท่านผู้นั้นศึกออกไปศึกงานลาภเพศออกไปศึกษาธรรมปฏิปัิธรรมมันก็ไม่มีปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าไม่สามารถบรรลุมรรคผลระดับพระอรหันต์ได้เท่านั้นเองแต่ปลั่งลงมาถ้าากว่าวิสนาบารมีท่านมากพอก็ช่วยได้ก็ไปได้เหมือนกัน แล้วบาตรที่ลดหลั่นลงมานั้นเป็นการยอมรับถึงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของจิตการรักษาความดีที่ไม่มั่นคงของจิตก็เปิดโอกาสให้ทิท่านเรียกว่าแสดงอาบัตลักษณะของการแสดงอาบัตเป็นการชี้เห็นถึงจิตสานึกรู้ว่าความผิดเป็นความผิดความทุกเป็นความทุก ในโครงสร้างการแสดงจึงฟังแล้วก็หน้าเมตตาน้าให้อภัยหน้าสงสารท่านจะสารภาพว่าท่านทำความผิดอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเพื่อนก็จะสอบถามมาท่านเห็นว่าเป็นความผิดจริงหรือเปล่าท่านจะบอกว่าเห็นว่าเป็นความผิดเพื่อก็จะกราวโดยการให้อภัย ว่าไม่เป็นไรหรอกใครตั้งกจสำรวจวังต่อไปก็แล้วกันท่านก็จะรับปากาครับครบัผมจะตั้งแก่สำรุจวังต่อไปแต่ก็เอาอย่างงั้นนะบางทีก็ต้องอีกก็ต้องซ้ําแล้วซ้าอีกการแสดงอ ბ ัตของพระจึงมีอยู่ประจํานั้นแสดงให้เห็นถึงการหลุดพ้นที่ไม่มั่นคงแน่นอนอะไร แต่เป็นการลิ้มเป็นการสัมผัสรถแห่งการหลุดพ้นจากอำนาจของกิตและความทุกข์ได้ในบางระดับจึงทรงกำหนดไว้ในชั้นของสินแม้ในชั้นของสมาธิเราก็ดูจิตของเราได้ว่าบางครั้งนั่งสมาธิ20สนาทีไม่สงบเลยก็ไม่เป็นไรก็นั่งใหม่ สองวันสามวันยังไม่สงบก็นั่งกันใหม่เรื่อยๆไปนั่งกันจนสงบที่แน่นอนที่สุดก็คือความสงบนั่นเแต่การนั่งสมาธิในขณะนั้นแม้จิตเราจะไม่สงบแต่กายเราเป็นศีลวาจาเราเป็นศีลนอย่างน้อยในขณะนั้นก็ไม่ละเมิดศีล มันก็ดีกว่าขนองกายขนองวาจาอยู่ข้างนอกถึงแม้เราจะทำดีกว่านั้นไม่ได้แต่เราก็ทำดีกว่าบางการกระทำชั่วของบุคคลบางระดับได้เพราะในขั้นตอนของสมาธิที่นั่งกันมาจะเป็นพระหรือเป็นคราวาดเป็นผู้สับหรือผู้สแสดงก็คือกันเราไม่ใช่ทำได้สงบทุกขณะทุกครั้งไป บางครั้งก็สงบได้บางครั้งไม่ยอมสงบเลยบางครั้งสงบช่วงสั้นๆบางครั้งสงบช่วงยาวๆแต่ในที่สุดก็ไม่สงบอีกเมื่อไปเจออารมณ์ที่กระตุ้นมาจากข้างนอกหรือกระแทกกระทันมาจากข้างนอกดูตรงนี้คล้ายๆจะไม่ดีแต่เทียบการหลุดพ้นชั้นศีลแล้วก็ดีกว่าการหลุดพ้นในชั้นศีลแล้ว เพราะอะไรเพราะเข้าได้ถึงใจถ้าให้ใจสามารถซส ง, งบลงไปได้ด้วยแราจะสรงสอนไปเรื่อยๆจนถึงกับการหลุดพ้นจากอำนาจของกิเลสประเภทที่เรียกว่าเป็นฌานเป็นสมาธิเป็นฌานช่วงระยะเวลาที่กิเลสมันส ง, งบไปก็นานขึ้นหมายความมาธรรมะเข้าคุ้มครองใจของบุคคลได้นานขึ้น แม้จะมีการกระทบอารมณ์จากข้างนอกอย่าให้แรงจนเกิดไปแต่ก็ทนทานได้แต่แตรแรงมากนักก็ทนทานไม่ได้เหมือนกันเพราะการหลุดพ้นในแนวนี้ถือว่าเป็นกุปปธรรมเช่นเดียวกันคือกำเริบได้เราศึกษาทราบข่าวคราวเรื่องราวต่างๆที่ปรากฏในคำพีทางพระพุทธศาสนาเป็นนันมาก เ, เรื่องใหญ่ใจความนั้นจะเป็นเรื่องความกําหนัดกับความขัดเคืองที่ทําให้ตาบะแตกหรือศีลไม่สมาธิมันแตกคือเกิดกําหนัดในอารมณ์มากศีลจะสมาธิก็แตกถ้อเกิดขัดเคืองมากสมาธิก็แตกก็หมายความว่าเจ็ดจิตก็เข้าสู่อํานาจของความฟุง้งซ่านเหมือนเดิม แมแต่ปาอิสิปัตนามฤุกขายาวันที่เรา ค, คุ้นหูปัจจุบันที่เรียกว่าสารน า, าที่แปลว่าที่พึ่งของกวางเดิมในเดียรเรียกว่าอิสิปัตนามรุกขายาวันแปลว่าป่าเป็นที่ให้อภัยแก่เนื้ออันเป็นที่อยู่แห่งฤาษีเป็นที่ตกแห่งฤาษีฤาษีหล่นลงมาจากฟากฟ้าทั้งทางที่ได้อภิญญาแล้ว เล่าว่าฤาษีนั้นได้เหาะเลื่อนลอยพาต่างอากาศโดยอํานาจของอภิญาิาที่เกิดจากการมรรุฌานของท่านแต่ว่าเป็นอภิญญาระดับที่เป็นโลกิยาคือแบบชาวบ้านทั่วๆไปกำเริบได้ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องเพลงมองลงมาจากข้างล่างแต่เห็นทั้งรูปด้วยความทั้งเสียงใจก็กําหนัดในรูปในเสียงสมาธิก็แตก ก็กลายเป็นชื่อเสียงที่อับปยชน์อดสูของฤาษีตั้งแต่บัด น, นั้นมานั้นแสดงเห็นว่าการหลุดพ้นในระดับนี้ก็กําเริบได้เปลี่ยนแปลงแปรผันไปได้แต่ก็ดีกว่าคนที่หลุดพ้นระดับศีลระดับสมาธิชั่วขณะเป็นอันมากเพราะตามปกติแล้วท่านเหล่านี้ท่านก็ไม่ค่อยกล้าสู้อารมณ์เท่าไรท่านก็หลบหนีอารมณ์ เพราะันทำให้โอกาสที่ฌานจะเสื่อมมันก็ยากหน่อยปะตตานะหลีกเร้นสงบตัวเองไปอยู่ตามป่าตามดงไม่เห็นอารมณ์ทั้งหลายซึ่งมีลักษณะยย ย, ย่ในการหลุดพน้นอีกช่วงหนึ่งทรงเรียกว่าสมุดเฉทวิมุตในการหลุดพน้นอย่างที่ตัดขาดไปจริงๆ แม้ในชั้นศีลท่านสาธุชนทั้งหลายคงนึกได้ที่ท่านเรียกว่าสมุดเจทบิรัตเปื่งดเว้นด้วยการตัดขาดแต่ตัดขาดสำหรับสาธุชนทั่วไปนั้นก็ตัดขาดในบางเรื่องเช่นตัวอย่างศีลทั้งห้าประการง่ายที่สุดจึงก็คือไม่ดื่มสุราตลอดชีวิตต่อไปก็คือ ไม่ประพฤติในทางการตลอดชีวิตไม่รักทรัพย์ตลอดชีวิตไม่ทำสัตว์ได้ตายเลยเจตนาจะทําสัตว์ได้ตายตลอดชีวิตหรือไม่มุสาวาดตลอดชีวิตมุสาวาดนี่คงจะยากกว่าหน่อยก็ยพยายามตัดขาดไปเรื่อยไม่ได้ตัดขาดได้ทุกเรื่องแต่เอาตัดขาดบางเรื่อง คนนี้พึงสังเกตตัวอย่างคนที่เคยดื่มเหล้าดื่มเบียร์หรือเคยสูบบุหรี่หรือเคยอะไรมันหลุดพ้นได้อย่างเด็ดขาดแต่ว่าเด็ดขาดระดับศีลเท่านั้นเองไปนั่งวงเพื่อนฝูงข้าวเพื่อนขยันขยอข้าวซาวซีบ่อยๆขอร้องบ่อยๆ อ, อ้อนบอลบ่อยๆก็ไม่แน่เหมืออาจจะอ้างว่าดื่มเพราะเห็นแก่เพื่อนรักษาทั้งใจเพื่อน แสดงว่าตอนนี้ จ, จริงเอาก็จริงตัดยังไม่ขาดแต่ลักษณะตัดขาดและเป็นอย่างนั้นเพราะงั้นเราสามารถสัมผัสการตัดขาดได้ในบางระดับว่ามันมีเรื่องบางเรื่องหรือหลายๆเรื่องที่บุคคลสามารถตัดได้ขาดพอตัดขาดแล้วเป็นอะไรคือเจออารมณ์เหล่านั้นเจอเรื่องเหล่านั้นข้าวนี่จิตใจมันไม่เกิดความรักความชังหรือเกิดความยินดีความยินร้ายหรือเกิดความโลภอยากได้อะไรนี้ ก็เหมือนกับคนที่เลิกดื่มสุราเลิกบุหรี่อะไรอย่างที่ว่าเลเลิกเล่นตุ๊กตาเลิกสนุกสนานเรื่องเที่ยวเตนในสมัยเป็นหนุ่มเป็นสาวพอโตเป็นผู้ใหญ่แม่ไปเห็นใจมันก็ไม่อยากนั้นแสดงให้เห็นถึงกำลังของสติปัญญาและวุฒิภาวะความเจริญในด้านจิตวิญญาณของบุคคลที่สูงขึ้น แล้วก็ควบคุมตัวเองได้ใจไม่กำเริบแม้จะมีสิ่งเหล่านั้นผ่านเข้ามาในวิถีชีวิตของเรนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ศึกษาได้อย่างอ่อนๆประการหลุดพ้นจากอานาจกิเลสประเภทเด็ดขาดเราเด็ดขาดไม่หมดเราเด็ดขาดบางเรื่องแต่เราจะเห็นจิตของเราว่าไม่กำเริบจริง ไม่เกิดอยากจะดื่มแล้วรู้สึกรังเกียด ร, รู้สึกระอารู้สักเนื่อยหน่ายแต่ไม่ใช่ไปเกลียดคนดื่มเพราะถ้าเกลียดคนดื่มก็แสดงว่ามันไม่เกิดความโลภจริงจะเกิดความโกรธก็กิเลสคือกันความโกรธเป็นกิเลสประเภทที่มีโทษมากกว่าความโลภที หรือจะต้องไม่มองคนอื่นในรูปของความโกรธความอาฆาตือความดูถูกดูหมิ่นแต่มองคนที่ยังเป็นอย่างนั้นด้วยความสงสารํานองกล้ๆกัเราไม่อยากได้ตุกตาไปอยากเล่นตุกตาแต่ก็ไปซื้อหามาเพราะสงสารลูกหลาน เธออยากได้ก็ซื้อหาให้เท่านั้นเองนี่คือการหลุดพ้นที่ดูได้ว่าในชั้นของศีลเองมันก็มีสมุจเจตทวิรัตคือหลุดเพ้นไปวางเด็ดขาดได้ระดับบางคนก็อาจจะตัดอะไรได้มากไปเช่นตัอาหารบางชนิดตัดเครื่องดื่มบางชนิดตัดการไปเที่ยวในที่บางแข่งตัดการเกี่ยวข้องกับคนคนบางพวกซึ่งไม่ดี โดยไม่มีความรู้สึกเดือดร้อนอะไรแม้จะต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้นหรือสิ่งเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นบุคคลเหล่านั้นก็ไม่มีอิทธิพลอะไรต่อใจของบุคคลนั้นในการหลุดพ้นระดับสมาธิอาจารย์บอกว่ามันก็ตัดขาดได้บางระดับแต่ไม่เป็นการถาวร ถ้ากระแทกกระทันเด็งแรงแล้วก็กําเริบได้เหมือนกันทุกเรื่องนอกจากว่าคนที่จิตใจเด็ดเดี่ยวจริงๆซึ่งก็มีอยู่จํานวนน้อยประการงดเว้นอย่างตัดขาดจริงๆท่านจึงนับจากพระอรหันต์พระริยบุคคลระดับโสดาบันขึ้นไปจริงๆการตัดขาดของท่านเหล่านั้นก็ไม่ได้ตัดขาดรวดเดียวก็ค่อยตัดไปเรื่อยๆ ก็ค่อยริดรอนอำนาจของกิเลสอำนาจของอารมณ์ไปเรื่อยๆแต่ที่แน่นอนที่สุดก็คือว่ามันผิดกันตรงที่เราเคยตัดขาดแต่บางทีก็กำเริบได้ส่วนท่านตัดได้ขาดแล้วมันไม่มีการกำเริบอีกนั้นคือจุดเปลี่ยนที่แตกต่าง ก, กันระหว่างอุตุชนกับพระริยาุ เชนตละการมาราคาได้ความกำหนัดในวัตถุกรรมทั้งหลายได้ถ้าถามว่าเราละได้ไหมเราก็ละได้เยอะวัตถุกรรมเป็นอันมากที่วางเกลื่อนอยู่ในตลาดในถนน้นทางต่า ง, างๆเราก็ไม่อยากได้แสดงว่าเราก็ตัดได้เหมือนกันแต่ตัววัตถุกรรมเหล่านั้นเองถ้าก็มีคนมายั่วยวน มาชักชวนมาน้มหน้าจิตใจให้ไว้ตามคล้อยตามก็อาจจะต้องไหวตามคล้อยตามก็เข้าไปซึ่งผิดกับพระริยบุคคลถ้าท่านตัดขาดคือตัดขาดลักษณะอาการของการมราคาซึ่งเคยตั้งข้อสังเกตให้ดูว่าเป็นกิเลสประเภทคว้าเข้ามาหาเรา ไม่ได้ไม่มีไม่เป็นก็อยากได้อยากมีอยากเป็นได้แล้วเป็นแล้วมีแล้วก็มีความกวหนัาเพลิดเพลิพนบันเทิงใจอยู่กับสิ่งเหล่านั้นพอสิ่งเหล่านั้นแปรผันไปแตกทำลายไปหักไปตายไปก็เกิดความเศร้าโศกเสียดายจิตของท่านกับอารมณ์สามช่วงนี้จะไม่แปรผันหมายความมาเห็นสวยงามดีพิเศษยังไงก็ตามความอยากได้มันไม่เกิด ทีนี้สิ่งอะไรก็ตามที่ท่านได้สถานะของคนมันต้องมีการได้พระพุทธเจ้าก็มีการได้พระอรหันต์ทั้งหลายทั่นก็ได้แต่ว่าได้อย่างรู้เท่าทันตามความเป็นจริงเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วแก่ท่านแต่ว่าสิ่งนี้จริงๆแล้วมันก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไ ป, เ ป, เ, ป, เ, ปเป็นธรรมดาเพราะฉะั้นก็ไม่ได้ติดใจอะไรมัน มีคนเอาของมาถวายพระพุทธเจ้าพระอาหารทั้งหลายบางครั้งบางคราบาันเยอะแยะอะไรเกิดท่าก็ไม่ยินดียินได้เลยไม่คล้องไม่ติดอยู่ในสิ่งเหล่านั้นบางครั้งบางคนมีการเสนอถวายที่ค่อนข้างรุนแรงถึงคนเขาก็ไม่ถวายกันแต่ก็มีการถวายแต่ท่านก็วางเฉยในอารมณ์ บุคคลทั้งหลายหรือสิ่งทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าพระอนาคามีนะตั้งแต่ระดับพระอนาคามีขึ้นไปในละกาบราคาและเด็ดขาดเมื่อเกิดขึ้นมากมายไกลกองนึกขึ้นยาราพุทธเจ้าเองราพุทธมารดาพระพุทธบิดาก็สิ้นไปก่อนและโยองอุปถาคู่หนึ่งซึ่งตั้งตัว คือเคยเป็นพ่อเป็นแม่มาในชาติปังก่อนหลายภพหลายชาติเดยกันชื่อท่านนั ก, กุลบิดานั ก, กุลามาตาท่านตายไปพระพุทธเจ้าก็ไปจัดการชาปนกิจศพให้เองจนคนเองก็เกิดสงสัยว่าทำไมพระพุทธเจ้ามาเห็นน้องห่มน้องให้อะไรพระพักก็ปกติธรรมดาเวลาจัด งานประสบของพระเจ้าสุโธธนะที่จริงก็เสด็จไปทำเองก็ทำอย่างปกติธรรมดาแบบลูกทำศพพ่อทั้งหนการยกศพขึ้นวางบนจิตตากาธานเองทำเองแต่พระพักก็ผ่องใสไม่ได้ร้องห่มร้องไห้ไม่ได้แสดงความเสียดุกเสียใจอะไร มันแสดงว่าวัตถุกรรมที่มันพรากจากไปสมบัตท่านติละกิเลศได้แล้วมันเป็นอย่างไรคือจะไม่มีความเสียดายทีนี้มองกลับมาที่จิตเราซึ่งสัมผัสเพราะเราเองก็มีอารมณ์บางอารมณ์หลายๆเรื่องนั่นเองไม่ได้ไม่มีไม่เป็นก็ไม่ได้สนใจอะไรไดแ้แล้วมีแล้วเป็นแล้วมันก็มีก็มีเป็นก็เป็นก็ไม่ว่าอะไร สิ่งเหล่านั้นแปลผ่านไปก็แปรผ่านไปก็ไม่ได้เสียใจอกเสียใจอะไรซึ่งแสดงว่าการปฏิบัติสัมผัสธรรมะนั้นที่จริงแล้วบางระดับใจคนก็สัมผัสกันอยู่ปัญหาว่าทําอย่างไรจึงจะปรับใจของตนเองให้มีความประณีตมากยิ่งขึ้นมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นจนไม่กําเริบ จะเรียกว่าอากุปธรรมคือไม่กําเริ่มหมายความว่าสิ่งอะไรที่ละไปแล้วก็ละไปแล้วจริงๆไม่เยียดยัยไม่อะไรเยียดีไม่โหยหาคือจะได้มาครอบครองทั้งสิ่ง ท, ทั้นั้นที่ท่านอุปมาว่าเหมือนกับคนถมน้ําลายแล้วมันก็ไม่มีความคิดที่จะกลืนกินเข้าไป โลกิยอารมณ์ทั้งหลายคืออารมณ์โลกทั้งหลายที่ใจคนไว้กาหนดหมายด้วยอานาจความรักหรือความชังก็ตามเมื่อละรักล ะ, ละชังไปแล้วซิ่งเหล่านั้นจะไม่สามารถสร้างความรักความชังนะั้เกิดขึ้นก็ได้จะมาก็รู้เห็นตามเป็นจริงไป้ง นั่นคือผลที่พึงประสงค์จากการศึกษาจากการประพฤติปฏิบัติคือผลที่เป็นเป้าดิสันใช้คำบาลีว่ามีพระอรหันต์เป็นยอดคือเดินไปสู่เป้าเหล่านั้นแต่ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าภาคปฏิบัติในชีวิตประจาวันจริ ง, รงๆส่วนหนึ่งเราก็สัมผัสได้กันอยู่อย่างแต่อันแปรผันได้กําเริบได้จิตแปรปรวนไปตามอนาจอารมณ์ัอนได้ถ้าหากว่า มีแรงกระแทกกระทำมาจากข้างนอกเพราะมตมดคือการที่จิตหลุดพ้นจากเพลิงกิเลสมันก็ชื่อว่าหลุดพ้นจากเพลิงทุกข์หลุดพ้นจากเพลิงทุกข์นั้นเป็นอาการของการหลุดพ้นจากเพลิงกิเลสเพราะกิเลสก็ทุกขนั้นเข้าไปด้วยกนันความทุกข์นั้นเป็นอาการคือเป็นผลซึ่งเกิดขึ้นมาจากกิเลสกิเลสนั้นก็เป็นเหตุ ที่สร้างอาการเหล่านั้นหรือสร้างผลเหล่านั้นขึ้นมาในชั้นนี้การทรงจำในระดับของสัญญาณนั้นผู้สังเกตว่าการทรงจำก็บางจำเป็นจะต้องเลือกจำเรื่องบางอย่างที่จำไปแล้วสร้างความเศร้าสลดหดถู สร้างความเศร้าหมองขุ่นเครืองอึดอัดขัดข้องโหยหาอะไรก็พยายามลดละบันเทาไม่เกี่ยวกเกาะกับอารมณ์เหล่านั้นมากเกินไปอารมณ์อะไรที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีตก็เป็นเรื่องอดีตไปจะดีมันก็ในอดีตจะไม่ดีมันก็ในอดีตเราทําผิดแล้วมันก็เป็นเรื่องของอดีต เรากล่าวไปแก้ไขอดีตอะไรไม่ได้มันผ่านไปแล้วเรื่องอนาคตก็เป็นเรื่องของอนาคตมาหรือไม่มาก็ไม่รู้ใจก็จะกำหนดอยู่ที่ปัจจุบันเพราะปัจจุบันนั้นเป็นของเราจริงๆเราสามารถใช้อย่างไรปฏิบัติอย่างไรนึกคิดอย่างไรหรือแสดงออกทางกายทางวาจาใจอย่างไรเราสามารถที่จะทำได้ แล้วก็รับผิดชอบได้บางครั้งทรงใช้คำว่มมาไปได้ค่าได้ขูดได้ทปลายได้หมายความว่าอารมณ์บางอารมณ์ที่เป็นขัสวมันจำอยู่แล้วหรือมันผ่านทางประสาทสัมผัสมาแล้วเราก็เก็บไว้ภายในใจ แต่เราก็ฆ่าอารมณ์เหล่านั้นทําลายอารมณ์เหล่านั้นได้บางทีมันยังมีร่องรอยที่อยู่ภายในใจท่านก็ขุดได้ขุดทิ้งจะได้สลัดอารมณ์เหล่านั้นทิ้งจะได้บางเรื่องบางอย่างบางระดับแล้วก็สามารถที่จะไปดาเนินใจของตนไปสู่ที่มุ่งหมายได้าการเลือกจำํำคือจําในเรื่องที่ควรจําและไม่ควรจําในเรื่องที่ไม่ควรจํา จนสามารถทำใจหลุดพ้นจากเรื่องที่ตนไม่ควรจำเพราะจำไปแล้วนำความทุกข์ความเดือดร้อนมาให้จึงเป็นอุบายวิธีอีกช่วงหนึ่งที่ทรงสอนให้ศึกษาและประพฤติปฏิบัติกันต่อจากนี้ไปก็ขอให้ตั้งใจตั้งความสงบสืบต่อไป